ท่านฟังคิดว่าธรรมะเนี่ยรู้เท่าไหร่ถึงจะนี่ อ่าประถมมัธยม 12 ปีแล้ว 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปีแล้วแต่นะตะกระเป๋าปริญญาโทปริญญาเอกแล้ว พูดอย่างงี้และผมบอกว่าอ่าสมมุติ 1 ปี 2 อย่างนี้ น่ะจากลูกมะนาวมันก็กลายเป็นลูกแอปเปิ้ลอย่างนี้เป็นต้นนะข้างในคือสิ่งที่ นะอ่านหนังสือเพิ่มขึ้นนะไปทําอะไรต่างๆนานาเรียนเฉพาะด้านเรียนที่จบจากเรียนแล้วเรียนปริญญาเอก เรเราก็พบว่าอย่างลูกลูกแตงโมเนี่ยจะมีเส้นพื้นผิวเนี่ยมาก นะไอ้เนื้อนั้นก็ยังมันก็ใหญ่ขึ้นจริงอยู่นะอ่าเราเรียนมากขึ้นอีกนะเปลือกส้มโอนี่มันมีกินเหมือนที่มากกว่าเปลือกแอปเปิ้ลเท่านั้นมัน เราลองคิดดูเราเปรียบเทียบระหว่างลูกมะนาวกับลูกแตงโมนะเส้นรอบผิวเล็กน้อยนะพื้นที่เนี่ยมันน้อยนะพื้นที่น้อยเมื่อเทียบ เรามาพบกับสิ่งที่เราไม่รู้ใช่มั้ยมันเรียนเรียนเรียนเรียนสัมมนาสัมมนาอ่านหนังสือทําวิจัยจนกระทั่งมันไปนู่นเลยใหญ่เท่ากับลูกแตงโมเส้นพื้นผิวของ โอ้มันมันจะไปชมที่ไหนอ้าวต่อให้คุณเรียนต่อไปอีกจากแตงโมใหญ่ขึ้นอีกเป็นลูกอะไรดีที่มันใหญ่กว่าลูกแตง เราจะรู้ได้ไหนเพราะมันก็มาเจอกับสิ่งที่เราไม่รู้มากยิ่ง นะหรืออ้าวคุณอยากจะรู้มากขึ้นอ่ะคุณรู้สัก 2 บท 2 บท 1 บทอะไรอย่างสมมุติว่าอ่ะเราพูดถึงธรรมะเนี่ยสักบทรู้แล้วเนี่ยประเด็นคือตรงนี้ท่านฟังรู้ มันก็ละเรื่องกันนะท่านผู้ฟังคือคนที่เรียนสูงๆน่ะอย MBA อย่างเงี้ยแต่คุณก็ไม่ นี่แหละคือประเด็นที่ว่าเรารู้ทั่วถึงแล้วปฏิบัติเพื่อ 2 บทแล้วคุณปฏิบัติ 3 บทคุณจะสัก 1 บทมั้ย <c ri ana> <Gore S 2> 1 บทนี้อยู่ อาสวนะ 4 บทท่านพระเจ้าพูดถึงว่าถ้ารู้ธรรมแม้เพียง 4 บทน่ะแล้วว่าเป็นธรรมสมควรๆหูฟูๆแบบว่าเดินทาง สมควรจะทํานั่นชื่อว่าพระ 4 บทไหนเฉลยโหอริยสถีนี่มันทั้งหมดเลยนะที่พระใช่ๆอ่ะไม่ 4 บท 4 บทมาก 4 บทเอา 3 บทพอเอา 3 บทพอ 3 บททั้งหมดไหน ถ้าคุณรู้ศีลรู้กองศีลรู้กองสมาธิรู้กอง 3 บทศีลสมาธิ 3 บทเอา 2 บท 2 บท 2 บท 2 บทเปล่า 2 บท หรือว่าทําสมควรแก่ทํา 2 บทไหนสมถะวิปัสสนาก็ได้เอ้าเอา 2 คุณอ่านหนังสือออกหรือเปล่าถ้าคุณอ่านหนังสือออกเมื่อคุณรู้ 2 อันนี้คุณปฏิบัติได้ก็ดีนะ 2 อย่างบางที ตนยังไม่ได้ไปสอนไกลเลยทรสุรมใหม่ยังไม่ได้ไปสอนใครเลยนั้นนั่งอยู่ใต้ต้น 4 สตินี่แหละท่านฟังตัวเดียวตัวเดียวถ้าเรารู้เรารู้แล้วแล้วปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นอันนี้ๆๆ ถ้าคุณทำแน่แล้วปฏิบัติได้จริงๆปฏิบัติเพื่อๆรักษาสติได้จริงๆตอนถูกเขาด่า เชื่อว่าปฏิบัติธรรมได้สมควรแก่ธรรมและสามารถปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่ได้เป็นการบูชาพระเจ้าโดยสูงสุดในทางที่ มันจะกลายมาเป็นการปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นได้อย่างไรคุณแล้วเพื่อความเป็นอย่างรู้เข้าไปในหัวใจนี่มันต่างกันนะไอ้หัวสมองนี่มันอยู่ข้างบนมันหนักเอื้องอยู่นี่บาง เดินไปไม่ได้เราจะทํายังไงให้ไอ้ความรู้เนี่ยมันเข้าสู่ เราจะเดินทางจากหัวสมองที่เรามีอยู่เนี่ยไปหัวใจได้อันแรกต้องตื่นก่อนไหนถ้าใครหลับไหลอยู่ 8 ในชุมเราลุก ข้อเสียของมันข้อดีของ 1 ฟุต 12 นิ้วเนี่ยจากหัว 10 ปี 20 ปีแล้วคุณเดินทางไปซื้อหนังสือตามร้านกิโลๆกิโลเมตรอย่างเงี้ย แต่จากหัวสมอง 10 20 ปี 30, 30 ปีก็ยังไม่เห็นความสุข 1 2 3 4 ท่องได้ด้วย 5 แต่ในใจไม่เคยเห็นในถามตอบได้สอบผ่านด้วยไม่เคยเรา เราถ้าเราไปศึกษาข้างนอกขวนขวายไว้เนาะมันไม่จบมีชั้น 2 เนี่ยเนี่ยมีชั้น 8 ด้วยโอ้โหทําไงนี่เราก็จะ แจ้งเราเป็นยังไงให้เรารู้